กับภาวะธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ทั้งส่วนอยากส่วนกลางส่วนละเอียดลึกตื้นกว้างแคบขนาดใดเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ตามสภาพของตอนเช่นเดียวกับ วัตถุในโลกกระถางนี้หรือในแผ่นดินเหล่านี้ต้นไม้เป็นต้นไม้มีอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนภูเขาดินฟ้าอากาศผู้คนหญิงชายสัตว์ประเภทต่างๆบรรดาที่มีอยู่ใน ดินแดนอันนี้ผู้มีในตาสามารถที่จะมองเห็นได้ตามวิสัยของตาหูจมูกเลี้ยกายยอมไม่มีทางสงสัยในสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ทั้งหลายส่วนละเอียดก็ยอมรับวาละเอียดและสิ่งที่จะรับสัมผัสกัน ในส่วนละเอียดซึ่งเป็นวิสัยของโลกก็มีเป็นอย่างเชื่อโลกเขาก็สามารถส่องกล้องดูได้ยอมรับว่าเป็นของมีนี้หมายถึงด้านวัตถุส่วนที่ไม่มองเห็นยมนดินป้อฟ้าอะไรพวกอากาศ เย็นนอนอ่อนแข็งก็สัมผัสสัมพันธ์อยู่ในตัวของเราเองต่างก็ทราบต่างก็ต่างก็ยอมรับผ้ามีไม่สงสัยกันมีสภาวะธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงก็เป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่และทรงสแสดงตามสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ ลึกตื้นอย่างละเอียดกว้างแคบหนาะบางขนาดใดก็ทรงแสดงตามสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่นั้นพอเหมาะพอดีกับสภาพนั้นๆทุกสภาพไปเมื่อเทียบ ก, กันกับสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ซึ่งมนุษย์เรายอมรับ อ น, นั้นปราดทั้งหลายท่านยอมรับเหมือนกันเช่นเดียวกับมนุษย์เรายอมรับในสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในแดนแห่งโลกนี้ไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงรู้ทรงเห็นทรงยอมรับและทรงแสดงสิ่งเหล่านั้นได้พอเหมาะพอดีกับสภาพแผงความเป็นอยู่มีอยู่ของสิ่งเหล่านั้น เช่นเดียวกันหมดไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดที่จะมีความรู้ความเห็นแตกต่างกันไปเพราะสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ทั้งหลายนั้นเป็นธรรมชาติของตนซึ่งความรู้ความเห็นของพระพุทธเจ้าแต่ลพระองค์ก็ทรงทราบด้วยพระยานเหมือนเหมือนกันหมด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 ปราบทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นทรงยอมรับความจริงที่มีอยู่ทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งเป็นสิ่งที่สุดพิสัยของใจธรรมดาจะรู้จะเห็นแต่ทรงรู้ด้วยพระจักษุญาณเรียกว่ารู้ด้วยหูแจ้งตาสว่างภายในเห็นไม่มีอะไรที่จะคัดค้านกันได้การแนะนำสั่งสอน ทั้งสิ่งที่ให้ละสิ่งที่ให้บําเพ็ญก็ทรงสั่งสอนแบบเดียวกันเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยสําหรับจักสุญานของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์จนกระทั่งพระราหฎรสหานท่านซึ่งมีความเหลื่อมล้าต่ําสูงต่างกันก็าตามท่านยอมรับไปตามพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเพราะหลักใหญ่ ท่านรู้โดยกันเห็นด้ดยกันตามวิสัยเช่นสามกะวิสัยกับพุทธวิสัยท่านยอมรับกราบพระพุทธเจ้าอย่างสนิท ต, ตายใจทั้งทำอันยอดยิ่งสุดแดนอย่างสมุิทั้งทำที่สภาพที่อยู่ในแดนสมุิคือในสามแดนโลกธาตุนี้เป็นสมุิทั้งหมด ค่อยอมรับพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ต้องทรงจักสุญานด้วยกันทั้งนั้นอย่างทราบตลอดตัวถึงและเป็นสัพพัญยูหรือสยามผูสัพพัญยูนั้นหมายถึงวรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง เรือรู้สิ่งทั้งปวงสาภาวะธรรมทั้งปวงด้วยประจักษ์กุญญ์สยาภูทรงรู้เองเห็นเองโดยไม่ต้องอาศัยคนอื่นหรือมีครูเมียอาจารย์คอยบอกคอยแนะเหมือนพวกชาวบกทั้งหลายแต่ทรงทราบทรงรู้ทรงเห็นโดยลำพังพระองค์เองตามสิ่งที่มีอยู่เช่น บาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานและสภาพเหล่านี้มีกี่ชั้นกี่ภูมิมีความหยาบละเอียดมากน้อยเพียงใดเพียงไรตลอดถึงบรรดาสัตว์ที่เข้าสู่ภูมินั้นๆพบนั้นๆหรือชั้นนั้นๆ ทรงทราบโดยตลอดทั่วถึงหมดไม่มีอันใดมาปิดบงังลี้ลับนอกจากกิเลสตัวมืดดำนี่เท่านั้นเป็นสิ่งที่ปิดบงังติดอิดจัจไม่มองเห็นให้รู้ให้เห็นความจริงทั้งหลายที่มีอยู่เหล่านั้นนี่ที่เทวประพูตเถาเจ้าพระราหันท่านซึ่งเป็นผู้สิ้นกิเลสและทรงยาณโดยสมบูรณ์แล้ว กับบรรดาศัตว์ซึ่งเป็นคนหูหนวกตาบอดเช่นเดียวกับพวกลาลาทัานทันเพราะเป็นครั้งที่เลยมี เ, เท่านั้นที่ไม่สามารถมองเห็นได้ในสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายเราอย่าพูดถึงเพียงทำอันละเอียดนั้นเลยเพียงแต่สิ่งยายาซึ่งมีอยู่ในโลกนี้มนุษย์ตาอวัยวะไม่ยุ่งกวนกิการสมบูรณ์ ในเครื่องรับทั้งหลายแล้วเขาก็ยอมรับกันทางนั้นนอกจากนั้นคือคนตาบอดหูหนวกคืออวัยวะพิกลพิการไม่สามารถจะมีเครื่องอันเหมาะสมรับสิ่งทั้งหลายที่โลกทั้งหลายเขารับได้ทางนั้นและนอกจากรับไม่ได้แล้วบางอย่างก็ยังต้องปฏิเสธว่าสิ่ง น, นั้นนั้นไม่มี ท, ทั้งที่โลกเขายอมรับกัน โลกที่การดีหูดีอวัยวะดีทั้งหลายเขายอมรับกันแต่คนวิการเหล่านั้นไม่ยอมรับแมเ้เชื่อก็เชื่อแบบคนพิการเชื่อมูป่าปลาไม่ได้เชื่อตามหลักความจริงที่รู้ที่เห็นเหมือนอย่างคนมีอวัยวะสมบูรณ์ทั้งหลายเรื่องสัตว์โลก ที่เชื่อในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็ย่อมเป็นลุ่มๆดอนๆรูปๆคำํคำๆเช่นเดียวกันนม้นจะปัญญาณตนว่าเป็นชาวพุทธก็ตามเพราะสิ่งที่ให้ขัดให้ขวางภายในจิตใจไม่ให้เชื่ออย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมันฝังอยู่ภายในจิตใจความฝังอยู่นั้นคือความกีดขวางคือความปิดบงังไม่ให้มองเห็น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 ยอมรับสวยก ร, รเพราะวิเศษพาให้ทำกำ ร, รมคือชื่อว่าทุกเนี่ยน้อยใครก็ไม่ต้องการแต่เหตุใดโลกจึงเป็นแหล่งแห่งกองทุกเป็นครั้งแห่งกองทุกอยู่ในกองกองเพลิงเหมือนกันหมดใครอยากอยู่พูดถึงตามความรู้สึกแล้วแม้แต่สัตดีบฉันเขาก็สราบไม่อยากไม่ พบเห็นเลยแต่ก็จำต้องในตนทุกทรมานยอมรับเสวยกรรมประเภทต่างๆหรือผลแห่งกรรมประเภทต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของตัวเองสร้างขึ้นเพราะความเชื่อสิ่งจอมกรอมทั้งหลายมันหลอกลวงให้ทำผลกรรมนั้นก็กลับเข้ามาสู่ผู้ทาผู้บ่งบอกให้ทามันหายไปไหนก็ไม่รู้ผู้ฉุดลากให้ทามันไม่ใช่ผู้เลาะผู้รับ เรับกรรมแต่เราพู้ทำตามอำนาจของมันนี้ต่างหากเพ่รับเคราะรับกรรมตลอดมาเนี่เราจะเห็นได้เทียบเพียงเท่านี้เราจะเห็นเรื่องความแปลกประหลาดและความอัศจรรย์ของธรรมที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันนี้แสดงทรงแสดงไว้ มีใครรู้ใครเห็นมีหรอไม่มีใครรู้ใครเห็นในธรรมบรรดาที่แสดงมาแล้วฉันบาปใครจะเชื่อว่าบาปมีบาปเป็นตัวยังไงก็ไม่รู้บุญเป็นตัวยังไงก็ไม่รู้เราจะคาดได้เพียงว่าบาปคือความลามจกจบเปรตบุญคือความสุขความสบาย ก็เป็นเพียงคาดค่าทั้งทั้ ง, ท, งที่เจ้าตัวนั่นนะสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับผลแห่งบาปหรือสัมผัสสัมพันธ์อูกับบาปตลอดเวลาทั้งทา ง, ท ง, ทงร่างกายและจิตใจแต่มีสิ่งหนึ่งที่มันปิดบังเอาไว้ไม่เห็นตามดับความจริงพอให้เชื่อถือได้อย่างฟังใจเต็มความจริงที่สัมผัสสัมพันธ์อยู่กับตัวเองเนี่ยมันต่างกันตรงนี้่อนพระพุทธเจ้าที่ว่า คืงนำทำเหล่านี้มาแสดงทรงประจักษ์พระไทยคือทรงประจักษ์ด้วยความจริงจริงๆไม่ใช่ความคาดคะเนไม่ใช่ความดุนเร้าการรับความทุกข์นั้นรับเต็มเตาเหมือนกันเรื่องโลกนะแต่ที่จะเชื่อตามความจริงที่ได้รับความทุกข์ความกลรมานรับบาปรับกรรมมานั้นชัดโลกไม่มี ความจริงที่เรียกว่าทรรมเป็นสิ่งที่ขยายความรู้นี้ให้เข้าถึงความจริงนั้นโลกจริงไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรมโลกมีนิพพานนี่มันมีอันหนึ่งที่ปิดบังจิตใจเอาไว้ส่วนพระพุทธเจ้าท่านทรงรู้จริงๆ คือรู้ด้วยเป็นความจริงเห็นตามความจริงด้วยพระจักสุญาณไม่มีทางสงสัยแล้วนำธรรมชาติอันนั้นมาสอนโลกวิชานี้กินไม่มีในโลกใครจะสอนกันก็สอนแบบเป็นด้นเดาๆไปอย่างนั้นเช่นอย่างพระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติมีศาสนาต่างๆสอนกันก็สอนแบบเป็นด้นเดาๆไม่ได้สอนตามทิ่ ดูแล้วเห็นแล้วค้นพบแล้วมาสั่งสอนเหมือนพระพุทธเจ้ากินนำธรรมะมาสั่งสอนสัตว์โลกอย่างนี้โดยเหตุ น, นี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าสวขาดิธรรมจัดไว้ชอบเพราะได้รู้ชอบเห็นชอบตามความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างแล้วค่อยนำมาสอนโลกองค์พระองค์เองก็ประจักษ์พระไทยอย่างเด่นครับ ไม่มีที่สงสัยแล้วในบรรดาธรรมที่นํามาสอนโลกนั้นตลอดอุบายวิธีการคนคิดปิณิพิจรารณาให้ได้เจอธรรมเหล่านั้นก็ไม่มีอะไรสงสัยในพระไตรเรียกว่าสมบูรณ์ทั้งเหตุคือการค้นควายสมบูรณ์ทั้งผลคือความรู้แจ้งแทงตลอดตามหลักความจริงแห่งธรรมทั้งหลายทุกขั้นทุกภูมิจนกระทั่งถึง ภูมิที่เลยสมมุติออกไปท่านเรียกว่าวิมุติตานิพานพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นแน่เจงนำธรรมนี้มาสั่งสอนโลกนี่สัตว์โลกนั้นก็จะเทียบอะไรนอกจากก็เหมือนคนตาบอดเราดีๆนี่ตามีหูมีก็าตามมันบอดไปเสียหมดทุกอวัยวะเพราะมีธรรมชาติอันหนึ่งมาปิดหูปิดตาปิดความรู้สึก ธรรมชาติอันนั้นเป็นของปลอมเมื่อปิดเข้าไปในใจดวงไหนแล้วจึงทําให้ใจดวงนั้นกลายเป็นของกลอมไปหมดเห็นผิดว่าถูกเห็นถูกว่าผิดเห็นดีว่าชั่วเห็นชั่วว่าดีไปหมดเพราะของกลอมจะให้เป็นเหมือนของจริงนั้นเป็นไม่ได้เนี่ยตรงนี้เองที่ศาสตร์โลกทั้งหลายจึงราวกับว่าสัดตาบอดเสือครานอยู่ตามภาษีภาษาหาทางออกไม่ได้แม้จะสัมผัสสัมพันธ์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 พ้นจากภัยทั้งหลายซึ่งกำลังตลุ้มลุมอยู่ภายในจิตใจและอวัยวะนี้ให้ผ่านพ้นไปได้แม้เล็กๆน้อยๆไม่ต้องถึงขั้นยินมุตินิพานเลยพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นเหมือนกับคนตาดีหูดีมีดจากสุญาณเหมือนกับกล้องขายายได้ตลอดทั่วถึงใน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 พ้นวิสัยแห่งพระจักรสุยานนี้ไปได้เลยนามพระองค์จินปรากฏว่าโล ก, กบวีทูครอบไว้เลยรู้แจ้งโลกโลกก็คือมูสัตว์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับมูสัตว์ทรงรู้ตลอดทั่วถึงหมดพร้อมทั้งวิธีแก้ไขถอดถอนและบำเพ็ญไม่มีอันใดจนเรื่องของพระพุทธเจ้าแล้วจึงได้ พระศาสนาจึงประกาศลงในแดนแห่งมนุษย์แม้จะเป็นตาบอดหูหนวกเช่นเดียวกับสัตว์ทั่วไปก็ตางแต่ว่าบอดนี้ไม่ได้บอดถึงขนาดที่ว่ามืดมิดปิดถาวรหาทางแก้ไขไม่ได้เสียทีเดียวประเภทที่มีทางแก้ไขได้ยังมีและประเภทที่พอฝ้าฟางเท่านั้นก็นยังมีในสี่ประเภท นั่นอุคติตันยูเป็นประเภทที่พร้อมอยู่แล้วเสือคารานหาทางออกเต็มที่เต็มฐานเป็นแต่เพียงว่ายังหาทางออกไม่ได้การเสาะการแสวงนี้เต็มหัวใจนิปจิตันยูก็เช่นเดียวกันเดินตามหลังกันเพื่อความเสาะแสวงหาทางเล็ดลอดออกจากกองทุกที่ถูกปิเลดครอบงำในยะ ก็ค่อยเสือค่อยคลานกันไปเว้นแต่พวกปัทะประมะสุดวิสัยที่จะแก่จะขายจะช่วยอะไรหลได้ประเภทนี้เป็นประเภทที่ว่าหมดหวังที่ธรรมของพระพุทธเจ้ามาประกาศสอนโลกนี้ถ้าเราคิดเผินเผินเผ ล, เ ล, เลตามเรื่องของกิเลส พ, พาให้ชิดตามเรื่องของกิเลสหลอกหลอนให้ชิดก็ว่าเป็นของไม่แปลกปราหลาดไม่เป็นของอัศจรรย์ ศาสนาธรรมนี้ยิเลียดมันอาจที่แปลงเปลี่ยนแปลงไปว่าเป็นลทัทธิเป็นอะไรตั้งขึ้นมาแบบเป็นด้วนเดาๆ เ, เกาหมัดไปอย่างนั้นไม่ใช่ตั้งขึ้นมาตามหลักความจริงเป็นอย่างนั้นไปก็ได้คนจึงไม่เห็นศาสนาเป็นของสาคัญยิ่งกว่าความเห็นตามเรื่องของอาธรรมฝ่ายทำลายเป็นของสาคัญ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 อัชจรรต์ขนาดไหนก็ตอนมาเปิดกันตรงนี้คนที่ยังไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นสิ่งเป็นภัยทั้งหลายโดยความจริงก็ได้รู้ได้เห็นขึ้นมาตามสวัสด ธ, ธรรมหรือตามพระโอาวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเช่นพุทธบริษัทหรือปฐมสาวกซึ่งท่านเหล่านี้เป็นภู้ิเสาะแสวงอยู่แล้วแทบลมแทบตาย พอรพระองค์ประกาศาศาสนธรรมคืออริยสัจสีซึ่งเป็นของจริงอันเป็นเครื่องยืนยันต่อมรรคผลนิพพานให้ทราบเท่านั้นยังจริงกิสมุรยธรรมังสับบัตังนิโรธธรรมังในธรรมจักรกับพธิสัตรที่ประกาศแจ ก, แกพระเบญจ ก, กิติทั้งห้าพระอัญญาคนอัญญาคว้าปิดมือขึ้นมาทันทีออกเป็นเครื่องประกาศยืนยัน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 สองแสงเข้าไปถึงจุดนั้นแล้วและสุดท้ายก็ได้บรรลุธรรมตามพระพุทธเจ้าทรงสั่งส อ, งสอนนี่ทำปรากฏเป็นของอาจารย์ขึ้นแล้วในท่านทั้งห้านี้ทำจะอาจารย์อยู่ขนาดไหนก็ตามถ้าไม่มีสิ่งสัมผัสไม่มีสิ่งยืนยัน ทำก็เป็นง้อจันอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนไม่มีความหมายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดต่เมื่อสิ่งที่หาความหมายอยู่แล้วพร้อมที่จะรับความหมายอยู่แล้วคือใจอั น, นเป็นไปด้วยอุปนิสัยพอสัมผัสเข้าเท่านั้นก็ยังกิจจสมุรยธรรมมังสัมบันตังนิโรธรรมมังขึ้นทันทีหลังจากนั้นแล้วกับวุติตังประมาจา ย, ยัง เรื่องไฟที่เดันหาอาสวะที่เคยเผาอยู่ในจิตใจนี่เป็นอันว่าสลัดตัดทิ้งไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วเพราะอำนาจแห่งธรรมนี่ทำที่ว่าประเสริฐประเสริฐได้ปรากฏกลางวานเต็มหัวใจของท่านเบญจวคีทั้งห้านี้แล้วนี่เป็นปฐมอาศกท่านเหล่านี้แลยเป็นผู้เทิดทูลเป็นผู้เห็นธรรมองค์แรก เห็นเห็นธรรมเป็นของอัศจรรย์เห็นพระพุทธเจ้าเป็นของอัศจรรย์เห็นศาสนธรรมที่ประกาศ ส, สอนเป็นของอัศจรรย์และเห็นธรรมที่รู้ประจักษ์ภายในจิตใจของตนเองอย่างอัศจรรย์โดยไม่มีอะไรสงสัยเลยร้อยทั้งร้อยเต็มหมดนี่าหละอำนาจแห่งความรู้แจ้อองเห็นจริงของพระพุทธเจ้าประธานพระศาสนาไว ไม่ีคุณค่ามหาศาลหาอัในใดประมาณไม่ได้นีเราทั้งหลายได้มาบวชในพุทธศาสนานอกจากเกิด เ, เ, เป็นมนุษย์แล้วยังได้มาบวชในพุทธศาสนาและตั้งหน้าตั้งตา ป, ปฏิบัติตามหลักศาสนาธรรมก็ชื่อว่าเรายึดบันไดที่ถูกนี้เหมาะสมแล้วกับ ความมุ่งหมายของเราที่บวชมานั้นจงตั้งใจประพฤติปฏิบัติยึดหลักเกณฑ์นี้ไว้ด้วยดีอย่าได้ลดละท้อถอยเรื่องของเกเยดไม่มีเรื่องใดใพากันจํจำไว้อย่างถึงใจว่าจะทำสัต์โลกให้เบื่อน่าอิ่มพอ ไม่มีแม่นิดหนึ่งและจะทำจัตโลกให้มีความสนุกสนานรื่นเริงมันเถิงมีความสะดวกสบายมีแต่ความบีบบังคับโดยลำดับธรรดาแต่การบีบบังคับก็มีเครื่องประกับเข้าอีกทีหนึ่งไม่ให้เราดูว่ากิเลสนั้นบีบบังคับใจิตใจเรา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 ควรจะเป็นเห็นโทษมันแล้วมันเห็นด้วยกันทางนั้นเพราะต่างคนต่างโดนอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าพบใดชาติใดมาจนทั่งปัจจุบันและขณะนี้แต่นี้มันไม่มีอันใดที่จะรู้เพราะมันมีเครื่องประกับเขาอีกทีนึ่งภายะจิตใจให้สัตว์คล้อยตามเพลินตามหลงตามพอใจตามมันตลอดเวลามีละเอียดไหมกี่เลย เราอยากจะทราบก็ตั้งหน้าตั้งตาไปพิสปิบัติอย่าให้กิเลสเข้าแท้เข้าแสงข้อปฏิบัติและกําจัดความเพียรทั้งเราให้สิ้นซากไปเสียจากใจเหลือแต่ซากของกิเลสเต็มหัวใจซากกิเลสไม่จะตายเหมือนซากแห่งความเพียรเพื่ออาจเพื่อ ท, ำทำอําทาั้งหลายซากกิเลสเป็นซากที่สดสดร้อนๆเป็นซากของยักษ์ของผีซึ่งกลืน หัวใจสัตว์โรกได้ยึดตลอดเวลาไม่มีคำว่าเท่าสายใบยเย็นเท่าแต่ชลาขําคข้าด้วยหนุ่มสาวกืนอยู่ตลอดเวลาเพราะธรรมชาตินี้เป็นหลักปัจจุบันอันหนึ่งจึงไม่มีไว้คำว่าชลา ข, ขําคข้าไม่มีการไม่มีสถานที่ว่าจะพักผ่อนหย่อนตัวเว้นตนับเท่านั้น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 ของเราอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือตัวภัยคือตัวกิเลสปักจิตลงตรงนั้นด้วยความภาคเพียรด้วยความน้ำมัดระวังตั้งสติให้ดีอย่าหวังผลหวังประโยชน์จากสิ่งใดวัตถุใดอะไรในโลกนี้นอกจากงานคือการกระทําด้วยความตั้งสติของตอนไม่ให้เผลอในกิจการทั้งตนที่ทําได้แก่คิดแตภาวนาเท่านั้นนี่เป็นจุดที่มุ่งหมายแห่งธรรมยา เปิดช่องให้กิเลสมันผักดันออกมามันผักดันออกมาจากใจนะกิเลสมันไม่ได้มาจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรถที่ไหนเฉยเฉยมันมาจากใจแม้จะปรุงเรื่องรูปเรื่องเสียงกลิ่นรถขึ้นมาก็เพราะผู้นี้ไปสัมผัสสัมพันธ์ผู้นี้ไปปรุงไปแต่งไปคาดไปหมายไปสําคัญต่างๆมันจึงเป็นเรื่องขึ้นที่จิตความปรุงออกไปก็คือเรื่องของกิเลส ความที่มาหลอกตอนเองก็คือเรื่องของทีเดยระวังอันนี้ให้ดีแล้วเล่งหน้าที่การงานของตอนเข้าให้มั่นเหมาะอย่าคอยเวล่ำเวลาเช้าสายบ่ายเย็นปีนั้นเดือนนี้อันเป็นกลมายาของมันอีกเช่นเดียวกันไฮมุ่งต่อตรงนี้จะทุกข์ยากลาบากขนาดไหนเราเคยทุกข์มาแล้วสงสัยที่ไหนเอาให้เห็น ทุกข์ขนาดไหนก็มันไม่ตายแหละจิตนี่ทุกข์ก็มีแต่เรื่องของทุกขเวทนามันจะแสดงตัวของมันอยู่เหมือนไฟนันเท่านั้นแหละถ้าเราไม่เข้าไปสัมผัสสัมพันธ์ไฟก็มีความหมายไฟก็ไฟเราก็เราทุกข์ก็ทุกข์พิจารณาให้เห็นชัดเจนในความทุกข์ที่ปรากฏขึ้นในกายสติเป็นของสำคัญยาได้ลดละ ปัญญาพิจรณาสอดส่องอย่าอยู่เฉยๆนี่หนักใจในเรื่องปัญญาเกี่ยวกับหมูกระเพนมากทีเดียวไม่ใช่หนักเพียงเล็กน้อยก็พอสัมผัสสัมพันธ์ทางตาทางจมูกทางหูแล้วนี้มันจะบอกเรื่องปัญญามาทันทีว่าปัญญาไปนอนตาอยู่ที่ไหนมันจะมีจะเอาเรื่องโง่ๆเรื่องของกิเลสมาหลอกเจ้าของอย้ตหลักเวลาเรื่องทําไม่มีเหลือมาประพฤติปฏิบัติธรรมจะแท้ ทำไมไม่มีเรื่องทำออกแสดงให้เห็นลวดลายบ้างเล็ก ๆ, ๆน้อยๆ น, นั้นมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสที่ทำคนให้โง่ที่ทำคนให้ใหเซ่อเซ่อซาซาอยู่ตลอดเวลาหมดทั้งตัวมองเข้าไปเห็นแต่เรื่องของกิเลสทำงานอยู่โดย่านเดียวหาสติปัญญาอะไรแสงอย่างนั้นไม่มีเลยเป็นยังไงนักปฏิบัติมันต้องว น, นเลยเลปล่อยให้กิเลสกุศลธรรมมาอยู่ตลอดเวลาด้วยความฉลาดของมัน เราก็ปลื้นตั้งแต่อากุศลธรรมมาความโง่เข้าเต็มหัวใจมันได้ผลไม่ประโยชน์อะไรธรรมมาที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้สดสดร้อนๆอนแท้ๆไม่ไม่ใกล้ไม่ไกลที่ไหนนอกจากอยู่ที่ใจดวงเดียวนี้เท่านั้นยาไปาดแไปหมาจะถานที่นั่นการเวลานั้นเวลานี้ว่าเป็นกิเลสชนะว่าเป็นมรรคผลนิพพานกิเลสมันก็อยู่ในใจนี่แหละ มักผลนิพพานจะอยู่ที่ไหนเปิดออกตรงนี้ความมืดมันดับไปตรงนี้แล้วความสวาม่างมันก็ขึ้นที่ตรงที่มันมืดี่เองมันจะขึ้นที่ไหนปัญญาหัดคิดหัดอ่านเลยอยู่เฉยๆบางคบให้คิดบางคับให้จองให้ไข้ควรมันเาค่อยแตกค่อยขแขนไปเองอยู่เฉยๆให้ปัญญาเกิดไม่เกิดตายทิ้งเปล่านั่นไ แม้แต่พูดได้สมาธิก็ตามจมสมาธิขั้นไหนก็สมาธิขั้นนั้นอยู่เท่านั้นไม่เป็นปัญญาให้ได้ต้องปัญญาต้องเป็นเรื่องของปัญญาออกพินิพิจนาต้นคว้าภายนอกภายในสิ่งที่มาสัมผัสสัมผัท์ที่เคยผ่านไปแล้วกว็ดีปัจจุบันก็ดีหรืออนาคตคิดไปเรื่องใดให้เป็นเรื่องอัดเรื่องทำเรื่องสติปัญญาออกทางหลักิเลสที่มันคมันเป็นอยู่ตาม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 กิเลสให้กิเลสยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเลยความรงสารสัตว์โลกก็เต็มหัวใจเพราะถูกบีบถูกบังคับจากกิเลสทุกประตูไม่มีทางไหนที่กิเลสไม่บีบไม่บับงคับเลยนี่เวลาแตสะดุแล้วจรงิงรงรับสั่งพระสาวกทั้งหลายให้ไปคุณลภทิะทางอยากไปซ้ำรอยกันเพื่อให้ศาสนากว้างขวาข ง, ขงก็คือว่าให้ไปลื้อขนสัตว์โลกทั้งหลายที่กาลังจมอยู่ ผู้ที่ตะเกียบตะกายหาทางขึ้นอยู่ยังมีให้รีบไปรีบไปมันเหมือนกับตกนรกหมกไหมหรือตกในหม้อน้ําร้อนนั่นแหละให้รีบไปฉุดปไปลากขึ้นลายใดที่ควรจะฉุดลากได้ด้วยวิธีการใดให้รีบฉุดดีบลากไปนี่แหละการประกาศภาษาวกออกมาจากพระทัยที่เต็มไปด้วยพระเมตตาเห็นโทษแห่งสิ่งที่เป็นโทษเห็นคุณค่าแห่งความทำ ท, ำทำที่มีคุณค่ายอย่างถึงพระไทัยจริงๆไม่ใช่ทำแบบเล่น เหมือนโลกมีกิเลสขั้งหลายพกระพุทเจ้าไม่มีกิเลสบริสุทธิ์จริงๆทรงอนุเคราะห์สัตว์โลกอนุเคราะห์ด้วยพระเมตตาจริงๆถึงพระไทยดังการประกาศทำเมื่อเห็นผลเป็นสักขีพยานเช่นเป็นตะวทีทั้งห้าเป็นตน้นแล้วก็ให้รีบนำหรือให้รีบออกประกาศศาสนาไม่ให้ซ้ํารอยกันไปคนละทิศละทางเพื่อให้ศาสนากว้างขงวางก็หมายถึงว่าเพื่อให้น้ํา อมตะธรรมนี้ได้กระจายไปทั่วถึงไปในบรรดาสัตว์นรกทั้งหลายที่ถูกกิเลสมันต้มมันตุน่นมันทอดอยู่จะตายแดดไม่ตายแด่ทั้งตะเกียร์ะกายให้ได้พ้นภัยไปตามกําลังของผู้ตะเกียร์ตะกายจะพ้นไปได้มากน้อยเพียงไรยึงให้ประกาศศาสนาอย่างรีบด่วนเพราะพระเมตตาทรงเร่งเต็มที่นี่ เนื่องมาจากความเห็นโทษเห็นอย่างถึงพระไทยเห็นคุณอัจฉ ร, รย์ของธรรมในพระไทยก็ถึงพระไทยการสอนโลกกินสอนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มธรรมขณะท่านเห็นพิเรนท่านเปิดอย่างนั้นถ้าจะพูดถึงเรื่องเป็นคู่คเดือดคู่แค้นกันไม่มีใครจะเกินพระรหัสอาหารเกินพระพุทธเจ้าที่เป็นคู่เดือดคู่คู่เดือดคู่แค้นกันกันกบพิเลนซึ่งเป็นตัวภัยมาตั้งกับตั้งกัน เผาสัตว์ทั้งหลายทำให้สัตว์ทั้งหลายเหมือนกับตุ๊กตาเหมือนไม่มีจิตมีใจเลย<ฮ>ะจะเ้าขึ้นเขียงไหนก็ได้จะเอาเข้าเตาไหนก็ได้เตาไฟทุ่มเทกันลงในหม้อน้ำร้อนหม้อไหนก็ได้เพราะไม่มีท่าต่อสู้ไม่มีความแยบข่ายพอที่จะรู้เรื่องรู้ราวของมันสัตว์มันยังรู้ว่าจะเอามันไปฆ่าสัตว์มนุษย์เหล่านี้ไม่รู้จะทำยังไง ยังดีไม่ดียังต่อสู้ขัดขืนการฉุดการลากการช่วยสงเคราะห์อหนุเคราะห์ อ, อีกมากมายกายกอนนั่นทั้งสิ่นี่จะเพียงตัวเท่าหนูนี่ก็เป็นในหัวใจไม่ต้องพูดถึงพระพุทธเจ้าและสาวกท่านอ่ะอยังเราตัวเท่าหนูนี่ยังเป็นเช่นนั่งเคยพูดออกปากพูดเต็มปากด้วยเช่นกำลังฉันนั่งหันอยู่อนี้ ว่ากองทัพกิเลสมาแล้วไหนทันทีเลยบาทนี้จะทิ้ ง, งทันทีโดดถึงเข้าปราบเลยถ้าเป็นปืนก็ไม่ง้างนกเหนียวไกลเลยเดียวจนกระทั่งกิเลสมันน้าไปหมดกุศลธรรมมันเรียบร้อยแล้วถึงจะกลับมาฉันทั้งหันใหม่ถ้าอยากฉันก็จะฉันใหม่ไม่อยากฉันก็ปิ่มใจที่จะฆ่ากิเด็ดเห็นม้วนเสื่อลงไปหมดแล้ว ไม่มีอะไรจะมากวนอีกแล้วนี่แหละทำประเสริฐขนาดนั้นนะ่ะแล้วเป็นธรรมชาติที่ปราบฆ่าศึกได้อย่างทันควรชมคำว่า ima, มัชจิมามัชจิมาเมาะเจาะจริงๆไม่มีอะไรที่จะปราบโลกันตะสัตว์นี้ที่มืดบอดต่ออนาจของยุดเดศเข้างาม น, นี้ได้ยิ่งกว่ามัชจิมาปฏิปทานที่ทรงแสดงไว้แล้วโดยถูกต้องนี้เลย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 ต้องได้เห็นต้องได้รู้กันไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้รู้ไม่ได้พู้เช่าไม่สอนพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นมาแล้วมาปฏิบัติแบบรุ่งรุมดอนดอนให้เห็นขวางหูของตานี้มันจะอกจะแตกแล้วนะแล้วก็ลังไหลเข้ามาเรืเ่อยๆมาก็อย่างว่านั่นแหละมันจีดมันขวางทั้งหูทั้งตา ม, มันพูดไม่ถูก แต่ใจมันไม่สงสัยว่ามันเป็นยังไงมาฆ่ากิเลสหรือมาขวางธรรมเนี่ยเจ้าของไม่รู้ความถูกบีบบังคับภายในจิตใจตลอดเวลาเพราะอำนาจของกิเลสกับความสลัดปดัดกิเลสออกหมด ไม่มีสิในใดมาเหนืออำนาจของความอิสระธรรมนี้เป็นอย่างไรในใจดวงเดียว น, นั้นนี่ก็เคยได้พูดให้ฟังแล้วแม้แต่การเทรกยังบอกเล่มหนังสือก็ยังด้พูดว่าอาวกาศของกิจอวกาศของธรรมนั่นต่งดี้มันโลง่งมันว่างไปหมดไม่มีอะไรจึงทำให้ประจักษ์ใจว่า ไม่มีอะไรที่ทําการจีดขวางบีบบังคับจิตใจนอกจากกิเลสอย่างเดียวนี้เท่านั้นเมื่อกิเลสได้ทังลงประจักษ์แตแล้วไม่มีอะไรมาติดจีดมาขวางเวิร์งวางโลกธาตุนี้จะว่ามีก็ได้ไม่ว่ามีก็ได้เพราะไม่เกี่ยวกันเลยสิ่งที่เกี่ยวก็คือกิเลสเอานํามาทับหัวนั่นน่ะมันถึงเน้นน่ะมันถึงเน้นรับความทุกข์ความทรมานเมื่อกิเลสตัว แสบๆมันพังไปหมดแล้วอะไรลูกก็เป็นลูกเสียงเป็นเสียงกลิ่นเป็นกลิ่นรสเป็นรสสภาพสภาวะธรรมต่างๆเขามีอยู่ั้งแต่เรายังไม่เกิดอืเขามาทับอะไรใครเมื่อรู้เห็นตามความจริงจิตสลาดปัดกิ้งทั้งหมดแล้วเป็นตัวของตัวขึ้นมาโดยหลักธรรมชาติแล้วมีอะไรมาติดมาคล้องที่นี่มีแต่กิเลสเท่านั้นทําให้ติดให้คล้อง มันขึ้นไปจากใจแล้วจะ อ, อะไรมาติดมาค่าหัวเรื่องว่างไปหมดหาประมาณไม่ได้การสถานที่ที่ไหนมีอีกตรงนี้มีประาติที่ไหนมีการสถานที่ที่ไหนมีแต่ธรรมชาติเป็นความจริงเต็มตัวอยู่เท่านั้นวุ่นหาอะไรนั่นคุณค่าแห่งความดุดพ้นจากสิ่งบีบบังคับ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 จะเห็นที่ตรงไหนเพราะกิเลสกลับทำอยู่ที่จิต ด, ดวงเดียวกันนั้นเป็นแต่แบบเปลี่ยนฉากกันกิเลสดับไปทำปรากฏขึ้นเต็มดวงเท่า น, นั้นในจิต ด, ดวงเดียวนั้นซึ่งเป็นตัวที่ทรงความรู้ไว้ไม่มีการสถานที่เวลาเวลาเลยนะไม่จะไม่ประจับ้จริง ยาละหรอแล้วแหละไปั้นความรู้สึกให้ติดตัวอย่างน้อยสติสัมปชัญญะเมื่อติดแน่ก็ไปก็กลายเป็นสัมปชัญญะขึ้นมาต้องฝึกสติไม่ฝึกไม่มีไม่ฝึกไม่ได้ไม่ฝึกไม่คล่องตัวไม่ฝึกไม่ชำนานปัญญาไม่คิดไม่พาคิดตาโค้นไม่เกิดต้องถูกบังคับเท่านั้นเพราะกิเลสมันขีดมันขวางไม่ ไม่ทําจะตั้งสติก็เป็นฆ่าศึกต่อกิเลสต้องฝืนตั้งน่ะคนคิดด้วยปัญญาก็เป็นฆ่าศึกต่อกิเลสซึ่งเป็นตัวกีดขวางก็ต้องได้ฝืนคิดฝืนคนสิ่งเหล่านี้ฝืนฝืนกิเลสต่างหากแล้วไม่ได้ฝืนทำทำท่านไม่มีอะไรเคยฝืนท่านท่านไม่ได้ฝืนไข่กิเลสตัวเป็นภัยต่างหากมันฝืนเวลานี้ทําความเพียรยากลําบากมากน้อยขนาดไหนก็คือการต่อสู้กับกิเลสตัวฝืนฝืนนมากน้อยขนาดนั้นนั่นเอง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 จะไม่เห็นมันนี่คือกิเลสตัวเป็นภนัยได้ยังไงหาจาไม่ดีปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่สอนทำท่้นสอนว่ายังไงยินนี้พร้อมแล้วที่จะแสดงพุ่งให้เต็มที่ของตัวเองในความรู้ความสว่างกระ่างแจ้ง เป็นเพียงถูกปิดไว้เพราะอำนาจของสิ่งมืดดำเท่านั้นเองมีเท่านั้นไม่ได้มากมายอะไรเลยจึงเปิดนี้ออกไปมีอะไรมันปิดนั่นก็เคยพูดแล้วรูปเสียงกลิ่นโ่้เครื่องสัมผัสแต่และอย่างละอย่างก็ปิดเพราะธรรมชาตินี้ไปคว้าเอามาปิดตัวเองตาหูจมูกลิ้นกายเป็นทางเดินออกไปเพื่อ น, นำสิ่งที่ปิดบังเข้ามาสู่ใจก็ารู้แล้วสติปัญญาตามต้อนเข้าไป อันหนึ่งก็พยายามทำให้หิดให้สงบนี่เพื่อจะตัดปิดทวานเหล่านี้ไม่ให้ไปยุ่งนะพอสงบแล้วมีกําลังให้ใช้สติปัญญาพิณิปจน์มานี่คือกองทุกขงันงนี่จังนะตากองอสุภะอสุพังกองป่าชาาทั้งเป็นก็คือตัวนี้ค้นลงไปถื อ, อ น, นี้เป็นการเป็นงานเหยียบย่ำทำลายอยู่กับตรงนี้ขุดค้นกันอยู่ที่ตรงนี้ หลายข้างหลายหนมันก็ทถลอกไปเองกิเลสมันก็มีหนังเหมือนกันนะหนังของกิเลสมันเหมือนอับหนังเรานี่แหละเนื้อเอ็นกระดูกของกิเลสมีเหมือนกับเนื้อเราหนังเรานี่แหละหดลงไปฟันลงไปเดี๋ยวมันจะเลือเดเยอะออกมาหเห็นนี่จะเรื่องหมายถึงอะไรถึงเรื่องอสุภะอสุพังเหมือนแต่กระจายไปคืออะไรคื อ, อนิจังทุกขังอนัตตานั่นมันเยอะออกมาเยอะมามันจะได้เห็นชัดเจนพนันธจิตใจเมื่อปัญญาได้อย่างลงไปถึงไหนถึงไหนแล้ว ความเชือ่อตามหลักธรรมนี้จะดูดดื่มเลื่อยอีเรื่อยเืยเรื่องความภากความเพียรจะหมุนตัวมาพร้อมๆกันหมดเลยความขี้เกียจขี้ข้านไม่เอาไหนนั้นเป็นซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆมันจะถอยตัวอาข่างไปห่างไปห่างไปสุดท้ายไม่มีเลยมีจะได้รับยับยัง้งเอาไว้มันจะเลยเถิดสทคันว่าอุทจะนักในสังโยชน์เบื้องบนนั่นคือเพลินในความภาคความเพียรมากเกินไปจนถึงกับไม่ ยอมพักผ่อนหรือไม่สนใจจะพักผ่อนในสมาธิอันเป็นความสงบเพื่อพักเอากําลังทางด้านปัญญาอุทาจจะอุทาจจะในสัโยต์เบื้องบนไม่ได้เหมือนอุทาจจะกุกจะในนิวรณห้าซึ่งมีอยู่ในสามัญชนทั่วไปอุทจจานั้นมีอยู่ในพระอริยเจ้าในะขั้นอรหัตมรรเท่านั้นคือเพลินในความเพียรมากกันไปนั่นหาความที่เกียจิจข้นไม่มี ต้องในรางเอาไว้ถึงเวลาที่ควรจะพกักเมื่อจิตพินณิพิจารณานั่นคือการทํางานกิจเหนวอ่อนเพรียแล้วก็ให้พักเข้าสู่ความสงบไม่ต้องคิดต้องปรุงเรื่องอะไรพักงานคืองานของกิจเพราะการพิี้พิจารณาเป็นงานของกิตทั้งนั้นเมื่อพักจิตให้สงบโดยไม่ต้องไปห่วงใยกับเรื่องสติปัญญาชนิดใดก็ตามในขณะนั้นมีแต่การพักตัวสงบพอถอยออกมากิตก็มีกําลัง ควรแก่การงานแห่งการพิจนานรณาก็เอาอีกหน่อยเนทั้งกิเลสพังทลายลงหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วสติปัญญาประเภทนี้และความภาคเปลี่ยนประเภทนี้ก็หมดปัญหาไปเองโดยหลักธรรมชาติเช่นเดียวกันก็จะสู้ก็พ่ายเมื่อข้าสศึ์มันบรรลัยไปหมดแล้วก็เป็นอิสระธรรมเท่านั้นสิเนี่ยตัณววุติตังพระมจหริยังกระตังกันนียม เสร็จแล้วงานหรื้อภพรือชานหรือมาตัดสงสารงานต่อสู้กับมหาภัยเดยสิ้นสุดลงไปแล้วแต่บัดนี้ต่อไปไม่มีอีกแล้วสำนักธีดานีปุนภโวความเป็นอีกเกิดอีกนี้ไม่มีอจะ อ, อะไรมามีกิเลสพาให้เกิดกิเลสสิ้นไปแล้วจะ อ, อะไรพาให้เกิดให้ตายมันก็หมดไปเองเแล้วแต่ความบรู้สึนล้วนเท่า น, นั้นทั้งพร้อมทัพากันทั้งอกงอทั้งตจเพื่อต่อจิตบาทสลา ก็เป็นควเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยแล้วงงเลยมันก็จะได้ถึง50นาทีหรือไม่เอ๊ะนานดีนั่นโอไปแล้วมนหน่อยมันกําลังมันคงไปได้แค่นั้นเวลาเวลากับการแสดงทำพอถึงนั้นมันจะบอกของมันอ่อนลงอ่อนพอ ร, รู้สึกา่าทางรู้สึกก็หยุด ท, ทันทีธรรมะมันหมดขึ้นมาแล้ถ้าว่าหก ถ้ามันไม่หัวกันหรอมันแยบรับกันอย่นี้มันก็กลายเป็นจมูกประเทศหนึ่งขึ้นมาเหตุผลเท่านั้นที่ทาให้พูดหนักพูดเบามีเท่านั้นล้วไม่มีอะไรมาบีบมาขวางหัวใจเดินตามเหตตามผลเลย อ, อ น, นี้เราเคยถูกกีบ่บังคับบีบหัวใจมานานแล้วเรื่องนี้ให้ทําเดินดนี่ กิเลสมันเดินทางตรงนี้มาเท่าไหร่แล้วนี่จะให้ทําเดินไม่มีหรอกคาว่ารูปหน้าปะจมูกรูปหน้าปะทำนีเ่เดินตามทำอะไรหรือเป็นค้อหลักใ จ, าจบาดาลเราความํามีติดเทียนน้งคนวิาพากวิชารณ์้ำคนมันก็เป็นธรรมได้เลงไงก็เป็นเรื่องของกิเลสเลยทีของจริงมีอยู่ออกแสดงเลย นี่มันเพ่นพ่านเต็มโลกแล้วเวลานี้โลกกาลังจะพิภห า, หายพัวพราะมันยังไม่รู้ทษมันอยู่แล้ทำเท่านั้นที่เป็นน้ําดับไปอุ๊บความกินลงไปมันเป็นรายไปวะอืทําประเสริฐยิง่งกว่ากิเลสมันกิเลสมันประเสริฐที่ตรงไหนพอที่จะเป็นหมอไปกราบมันลาบไปตลอเวลาความตังหัด มิเวสังสักนิกาให้สงวนให้มากนะอย่าเป็นเพื่อนบรรพตให้เห็นนี่ไม่ใช่โรงธุรายามเมาวัดนี้สถานที่เหล่านี้มามีมาเป็นกิจเป็นการมาเป็นเพื่อนบรรพตให้เห็นนะนี่ดวงตาจะแตกแล้วหัวใจจะพังแล้วเน่ะมันรับแต่สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นมงคลนี่ กอจะมีก็รู้อีกล่ะอะไรล่ะ